สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลมาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในเรื่องที่จะนํามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังในวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของท่านอนาถบิกะเศรษฐีอุบาสกในเรื่องของท่านได้เล่าข้างไว้มาถึงตอนที่ผู้รับจ้างได้ตั้งใจรักษาอุโบสถเศีลครึ่งวันแล้วก็ ลูกจ้างผู้นี้เป็นผู้ที่กดอาหารมาทั้งวันทำงานอยู่ในป่าตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นเมื่อมารักษาอุโบสถศีลไม่ได้บริโภคอาหารเย็นก็ทำให้เกิดลมกาเริบขึ้นในร่างกายของผู้รับจ้างเมื่อลมได้กาเริบขึ้นในร่างกายของผู้รับจ้าง บุคคลหลายจิงไปแจ้งให้ทนานาถาบิติกะเศรษฐีได้ทราบทนานาถบิติกะเศรษฐีจึงได้ถือเอาของมีรสหวานสี่ชนิดมาอย่างที่อยู่ของชายผู้รับจ้างนั้นแล้วก็ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างพอคุณผู้รับจ้างก็เรีนตอบว่าข้าแต่นายลมได้กำเริบขึ้นในร่างกายของกระผมมากครับ ทานน า, าบิธิกเศรษฐีจริงบอกว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงลุกขึ้นรับอาทานเพศสัตว์นี้ผู้รับจ้างเรียนถามว่าข้าแต่นายท่านทั้งหลายรับประทานแล้วหรือขอรับทานน า, าบิธิกะเศรษฐีตอบว่าดูก่อนพ่อคุณพวกเราไม่ได้ป่วยเป็นอะไรเลยเธอจงบริโภคอาหารเถิดนะ ผู้รับจ้างกล่าวถึงความตั้งใจว่าข้าแต่นายครับกระผมเมื่อรักษาอุโบสถศีลก็ไมส่สามารถเพื่อจะรักษาอุโบสถศีลทั้งหมดได้แม้อุโบสถศีลครึ่งหนึ่งของกระผมอยากได้เป็นของขาดตกบกพร่องเลยครับแล้วเขาไม่ต้องการบริโภคอาหารนั้นแม้ท่านนาถาบินิกาเศรษฐีได้พูดอ้อนวอนอยู่ว่า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 ต้องการรักษาอุโบสถศีลบ้างแม่จะเหลือเวลาอยู่เพียงครึ่งวันเท่านั้นก็ตามแต่อานิสงคือผลของความดีหรือผลแห่งบุญกุศลของอุโบสถศีลที่ผู้ตั้งใจรักษาก็อานวยผลแก่ผู้รักษาอย่างเกินค่าก็เป็นอันว่าท่านนาถามินิกาเศรษฐีเป็นตัวอย่างที่นำพาให้บริวารชนของท่านประพฤติปฏิบัติตามในทางที่ดี เรื่องความไม่แน่นอนแห่งชีวิตโดยทั่วไปตรงกับคำกล่าวว่ามีแล้วกลับจนจนแล้วกลับมี ing, หรือยากเจ็ดทีดีเจ็ดผลเหตุการณ์ทานองนี้ก็ได้เกิดขึ้นกับท่านนาถบิติกาเศรษฐีผู้เป็นพระโสดาบันเช่นกันดังมีเรื่องอยู่ในอัตถกาถาคำพีธรหมดแห่งปลาปวักและในอัตถกถาชาดกที่อธิบายขยายความบาลี คาเทรียงคารชาดกคัมพีคุตกะนิกาชาดกพระสุตันตปิดกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในวัดพระเชตวันมหาวิหารได้ตรัสพระธรรมเทศนาปรารบธนนาถบิลกะเศรษฐีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์54โกฎกาหาปณะเนะฉะพาะสาหรับสร้างวัดและงานมหากรรม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 ได้ใช้ให้คนถือเพศัตว์ทั้งหลายมีเนยใสเนยข้นเป็นต้นไปและในเวลาเย็นให้คนถือวัตถุต่างๆมีระบียบดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้และผ้าเป็นต้นไปที่พระวิหารท่านเศรษฐีถวายทานรักษาศีลโดยกระทำอย่างนี้ทุกวันตลอดการเป็นนิจนิรัน์การต่อมาท่านนาถบินิกะเศรษฐี ได้ถึงความหมดสิ้นทรัพย์ทั้งถูกโกงจากพวกพาณิชย์ที่กู้หนี้ไปจากมือท่านเศรษฐีไปเป็นจํานวนเงิน18โกอกหาปณะนะและเงินที่เป็นสมบัติแห่งตระกูลของเศรษฐีอื่นอีก18โกอกหาปณะนะที่ได้ฝังไว้ใกล้ฝั่งแม่น้ําครั้นฝั่งแม่น้ําพังลงไปเพราะน้ําเสาะก็จมหายลงไปในมหาสมุทร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 แต่ไม่สามารถถวายทานที่ประนีตได้วันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าดูก่อนคาหาบบดีท่านยังให้ทานเป็นประจำอยู่หรือธนนาถมิตรกะเศรษฐีกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระบรมศาสดาทานในตระกูลของข้าพระองค์ ค่าพระองค์ยังให้อยู่แต่ทานนั้นเป็นปลายข้าวที่มีนำส้มพระองค์เป็นกับพระเจ้าขา่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านเศรษฐีว่าดูก่อนคารา บ, บดุดีท่านยังคิดว่าเราถวายทานอันเศร้าหมองเพราะว่าเมื่อจิตประนีตแล้วทานที่บุคคลถวายแด่พระอระหันต์ทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมไม่ชื่อว่าเศร้าหมองดูก่อนกระบดีอีกประการหนึ่งท่านก็ได้ถวายทานแด่พระอริยบุคคล8แล้วส่วนตถาคตในการเป็นเวลามะพราหมณ์ได้ทำชาวชุมพูทวีปทั้งสิน้นให้พักไถนาถวายมหาทานอยู่ไม่ได้ทักขินิยบุคคล หมายถึงบุคคลผู้ควรรับของทาบุญประเภทใดประเภทหนึ่งเลยแม้แต่พูดถึงพระตนไตรก็ไม่มีถ้ากินายะบุคคลทั้งหลายยากนักที่บุคคลจะหาได้ด้วยเช่นนี้เพราะเหตุนั้นท่านอย่าคิดเลยว่าทานของเราเศ่อหมองและพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงพระกรุณาเทศนาโปรดท่านอนาถาบิิกาเศรษฐี โดยตรัสเวลามาสตรสูตรว่าโดยการให้ทานมีผลมากหรือเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงบังเกิดเป็นเวลามะพรามโดยมีเรื่องปล่าไว้ในบาลีคำพีอังคุตตระนิกายนวากานิบาตว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดประเชตวันมหาวิหารเขตเมืองสาวถีครั้งนั้นท่านอนาถบิกาเศรษฐี ได้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถามว่าดูก่อนคราห บ, บดีในตระกูลของท่านยังให้ทานอยู่หรือท่านานาถาบิติกะเศรษฐีกราบทูลว่าข้าพระองค์ยังให้ทานอยู่พระเจ้าข้ะแต่ว่าทานนั้นเป็นทานที่เศร้ามอง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 คือได้ให้ถาดทองคาที่ใส่เงินจนเต็ม8ปดหมพัใบให้ถาดเงินที่ใส่ทองจนเต็ม8ปด0 0ใบให้ถาสมฤทธิ์ที่ใส่เหรียญเงินจนเต็ม8ปด0 0ใบให้ช้าง884ดหมื่นเชือกเป็นช้างที่ประดับด้วยเครื่องทองมีธงทองปกคลุมด้วยตาข่ายทองให้รถ8ปดหม่นันคัน อันเป็นรถที่หุ้มด้วยหนังราชสีหนังเสือโครง่งหนังเสือเหลืองผ้าอำพลเหลืองประดับด้วยเครื่องทองคำได้แก่ธงทองคำคลุมด้วยคายทองคำได้ให้แม่โคนม 84,000 พตัวกับถาดสำริดสำหรับใช้รองน้ำนมได้ให้หญิงสาว 84,000 พันคนแต่และคนล้วนประดับด้วยแก้วมุกดา แก้วมณีกุนทนให้บลัง8ปดห0ันปูด้วยผ้าขนสัตว์ที่มีขนยาวที่ทำด้วยขนแกะเป็นลายดอกไม้ปูด้วยผ้าหนังชมดอย่างอ่อนนุ่มเบื้องบนกระทำเป็นเพดานมีหมอนข้างหมอนเท้าให้ผ้า 84,000 พหีบมีผ้าปานผ้าไหมผ้าด้าอย่างดี ส่วนข้าวน้ําของหวานของข่าวเครื่องรูปไรที่นอนที่อยู่อาศัยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีมากประหนึ่งว่าจะไหลไปเป็นแม่น้ําดูกรคารังพอดีท่านจะต้องนึกว่าเวลามาพ ร, รมที่ได้มาให้มหาทานในครั้งนั้นอย่านึกว่าเป็นคนอื่นที่แท้ตถาคตเองเป็นเวลามะพ ร, รม ในคราวนั้นตถาคตได้ให้หมาทานดังที่กล่าวมาแล้วนั้นแต่การให้หมาทานครั้งนั้นไม่มีผู้ควรแก่ทักคีนาเลยไม่มีใครทำทักคีนาคือทานเพื่อผลอันเจริญให้บริสุทธิ์ลูกก่อนขรับบดี บุคคลผู้ใดให้อาหารแก่ผู้สมบูรณ์ด้วยความเห็นคือให้แก่พระโสดาบันเพียงรูปเดียวเพียงครั้งเดียวการให้อาหารเพียงครั้งเดียวแก่พระโสดาบันเพียงองค์เดียวครั้งนั้นก็นับว่ายังมีผลมากกว่ามหาทานของเวลามาพรามท่านผู้ใดให้ทานอาหารแก่พระโสดาบัน1 0 0อองค์การให้ทานอาหาร แก่พระสกทาคามีเพียงองค์เดียวก็ยังมีผลมากกว่าการให้ทานแก่พระโสดาบันหนึ่งองค์ให้ทานแก่พระสกทาคามี100องค์ยังมีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่พระอนาคามีเพียงองค์เดียวให้ทานแก่พระอนาคามี100องค์ยังมีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่พระอรหันเพียงองค์เดียวให้ทานแก่พระอรหันหนึ่งองค์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 นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเรียกว่าการนับถือพระไตรสรณนาคมการนับถือพระไตรสรณนาคมเพียงอย่างเดียวก็ยังมีผลน้อยกว่าการนับถือพระไตรสรณนาคมและรักษาศีลห้าด้วยการนับถือพระไตรสรณนาคมและรักษาศีลห้าด้วยนั้นก็ยังมีผลน้อยกว่าการอบรม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 ได้รู้จักความจริงในการกระทําความดีในพระพุทธศาสนาถ้าเราจะเรียกกันว่าเป็นการกระทํากุศลคําว่ากุศลก็หมายถึงการกระทําอย่างฉลาดโดยไม่ต้องลงทุนวัตถุเจตุปัจจัยไทยธรรมอะไรเลยเพียงแต่ตั้งใจระลึกถึงคุณความประพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็รักษาศีลห้าแล้วก็มีเมตตาจิตคือมีจิตคิดแผ่เมตตาไป แก่ บ, บุคคลและสรนปสัตทางหลายและการเจริญอานิจจสัญญาคือการกำหนดดูร่างกายของเราว่าไม่เที่ยงไม่มีอะไรคงที่ไม่มีอะไรคงทนมีแต่การเปลี่ยนแปลงแปรผันไปอย่างเดียวทั้งสี่ประการนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีอาณสงมากผู้ ก, กระทาอย่างฉลาดก็สามารถที่จะสแสวงหาบุญในพระพุทธศาสนาได้ อย่างง่ายโดยไม่ต้องลงทุนวัตถุจตุปัจัยอะไรเลยมีเรื่องของท่านานาถาบิดิกะเศรษฐีที่ปรากฏอยู่ในอัตกถาคัมภีร์ธรรมบทแห่งปาปร์ปวักและในอัตกถาชาดกที่ขยายความบาลีคาธิรังคา ร, ช า, คราชาดกคัมภีร์คุตกรนิการชาดกกล่าวต่อไปว่าท่านานาถาบิดิกะเศรษฐีแม้จะมีฐานะยากจนลง แต่ในเรือนของท่านยังคงถวายพระตาหารแก่พระพิสุสงฆ์ห0รรูปอยู่เป็นประจำทุกวันมีคำเปรียบเทียบไว้ว่าเรือนของทานานาถบิฎิกะเศรษฐีเป็นเช่นกับสระบกครณีคือสะที่ขุดไว้ในระหว่างทางใหญ่สี่แพร่งสำหรับพระพิสุสงฆ์ตั้งอยู่ในฐานะคลายมารดาบิดาของพระพิสุทั้งหลายทั่วไปเพราะเหตุนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้เสด็จไปที่เรือนของท่านอนาถวินิกาเศรษฐีและพระมหาสาวก80องค์ก็ไปด้วยส่วนพระภิกษุทั้งหลายนอกนั้นก็ได้ไปไปมามาโดยไม่มีกาหนดที่แน่นอนว่าประมาณเป็นจำนวนเท่าไหร่เรือนของท่านอนาถวินิกาเศรษฐีมีเจดชั้นประกอบด้วยซุ้มประตูเจ็ดซุ้ม ในส้มประตูที่สของเรือนนั้นมีเทวดาผู้เป็นมิจฉาทิถิคือมีความเห็นผิดหนึ่งองค์อาศัยอยู่เทวดานั้นเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปในเรือนและเสด็ออกย่อมไม่อาจอยู่ในวิมานของตนได้จำต้องพาลูกและหลานทั้งหลายลงจากวิมานไปอยู่ที่พื้นดินข้างล่างหรือแม้เมื่อเวลาพระมหาเถระ80องค์เข้ามาในบ้าน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 อยู่มาวันหนึ่งเทวดามิฉาติทินันจึงไปหาบุรุษผู้เป็นหัวหน้าจัดงานของธนนาถมิติกะเสฐีในเวลานั้นบุรุษผู้เป็นหัวหน้าจัดงานเข้านอนแล้วเทวดาจึงแผ่รัศมีสว่างสวยให้ปรากฏขึ้นแก่เขาบุรุษผู้เป็นหัวหน้าจัดงานจึงร้องถามว่านั่นใครเนาะเทวดาตอบว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดาเกิดอยู่ที่ซุ้มประตูที่สี่ของเรือนนี้เอง บรรุผู้เป็นหัวหน้าจัดงานถามว่าท่านมาที่นี่เพราะเหตุไรเรา่าเทวดาตอบว่าท่านผู้เจริญท่านไม่ได้พิจารณาดูการกระทำของท่านเศรษฐีหรือเพราะท่านเศรษฐีไม่ยอมเหลียวแลการที่จะมีมาภายหลังคงตนได้ขนทรัพย์ออกทุ่มเทให้พระสมณะโคดมโดยไม่ประกอบการค้าไม่ดำเนินกิจการงานเลย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 ท่านก็สละไว้ในพระพุทธศาสนาที่เป็นทางเรื่องทุกข์ถึงแม้ท่านจะจิกศีรษะของข้าพเจ้าขายเป็นสินค้าไปข้าพเจ้าก็ว่าอะไรท่านไม่ได้ดูก่อนเทวดาพานท่านจงไปจากที่นี่เสถิดอย่ามาพูดเรื่องนี้อีกเลยวันต่อมาเมื่อเทวดานั้นพูดกับบุุษผู้เป็นหัวหน้าจัดงานไม่ได้ผล จึงเข้าไปหาลูกชายคนโตของท่านานาถาบิติกาเศรษฐีและได้กล่าวแนะนําเหตุผลอย่างเดียวกันกับที่ได้กล่าวกับปรุษผู้เป็นหัวหน้าจัดงานนั้นลูกชายคนโตของท่านเศรษฐีได้ฟังคําพูดของเทวดาแล้วก็พอทราบอธัธยาศัยของเทวดาได้ว่านี่เป็นเทวดามิจฉาทิชย์คือมีความเห็นผิดเขาจึงได้พูดจาขับไล่เทวดานั้นไป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 คงจะเชื่อคำของเราจึงเข้าไปที่ห้องอันเป็นสิริของท่านเศรษฐีในเวลาเที่ยงคืนโดยเทวดาได้ลงตนอยู่ในอากาศและแผ่รัศมีไปให้ท่านเศรษฐีเห็นธนานาธิบิณกะเศรษฐีเห็นรัศมีนั้นจึงเอ่ยถามว่าใครนั่นเทวดาตอบว่าท่านมหาเศรษฐีข้าพระเจ้าเป็นเทวดาอาศัยอยู่ที่ สมประตูที่สี่ของท่านท่านเศรษฐีถามว่าเทวดาท่านมาหาข้าพเจ้าเพื่อประสงค์อะไรเทวดาตอบว่าข้าพเจ้ามาเพื่อต้องการจะกล่าวเตือนท่านท่านเศรษฐีจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเชิญท่านพูดมาเถิดเทวดากล่าวว่าท่านมหาเศรษฐีท่านไม่เหลียวแลถึงการภายหน้าเลย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 ทั้งอย่าให้พระภิกษุสาวกทั้งหลายของพระสมณโคดมเข้ามาในเรือนของท่านท่านอย่าสนใจพระสมณะโคดมท่านจงเลิกบริจาคทานที่เกินกำลังเสียแล้วจงประกอบกิจการงานและทำการค้าขายรวบรวมทรัพย์สมบัติไว้เถิดท่านเศรษฐีถามว่านี่เป็นคำตักเตือนที่ท่านให้แก่ข้าพระเจ้าหรือเทวดาตอบว่าใช่แล้วท่านมหาเศรษฐี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 จริงไปยังที่อยู่ของท้าวมหาราชทั้งสี่ก็คือท้าวัตรถวรุณหวรูปักและท้าวกุเวนแต่ก็ถูกท้าวมหาราชเหล่านั้นปฏิเสธอีกเช่นกันครั้นแล้วเทวดาจริงเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะเทวราชก็คือพระอิน์กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วกราบทูลวิงวอนอย่างน่าสงสารว่า ข้าแต่ท่านท้าวสกกะเทวราชข้าพระองค์ไม่มีที่อยู่ต้องจุงพวกทารกเที่ยเราหกระเหินหาที่พึ่งไม่ได้ขอพระองค์ได้โปรดให้ท่านเศรษฐีให้ตีอยู่แก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าข่ท้าวสกกะเทวราชตรัสกับเทวานา่นว่าถึงเราก็ไม่อาจกล่าวกับท่านเศรษฐีได้เพราะเหตุที่ท่านกล่าววาจา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 ท้าวสกกะเทวราชหรือไม่อย่างไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังรอเวรับฟังกันในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาของรายการสิ้นสุดแล้วต้องขอยุติและลาจากไปก่อนสวัสดีครับ